ธรรมชาดกแผ่นที่11ลำดับที่21โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่6ม ก, กราคม2558มีชื่อเรื่องว่าฤาษีปีขักวันในพระในวัดของเราทั้งหมด31รูปลงมาชั้น26 วันนี้เป็นวันที่หกมกราคมพุทธศักราชสองพห้าร้อยห้าสิบแปดวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งอากาศรู้สึกว่าอุดอบอุ่นอุ่นขึ้นมาบ้างเมื่อสองวันให้หลังรู้สึกว่า โ, โอ้อากาศเหลืออดแต่วันสองวันวันนี้รู้สึกว่าอบอุ่น แต่หลวงพ่อเองที่ได้พูดผ่านไปเมื่อวันที่ส1สักศรัทธายากโยมที่มาวัดของหลวงพ่อในช่วงนั้นเป็นช่วงที่เทศกาลวันปีใหม่คงจะเป็นไม่ใช่วันที่สคงจะเป็นวันวันที่หนึ่งที่หลวงพ่อพูดวันที่ส1อด วันที่วันที่สองพอหลวงพ่อเดินทางวันที่ส1อกลับขึ้นมาเย็ดวันที่หนึ่งเช้าวันที่สองหลวงพ่อจำไม่ผิดนะหลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับลูกหลานแต่งตัวไม่เรียบร้อยเข้ามาสู่วัดวาศาสานาแต่หลวงพ่อเองก็ได้นึกทบทวนที่ได้พูดผ่านไปแล้วนั้น หลวงพ่อก็คิดว่าเป็นการกล่าวย้ำเตือนเตือนลูกหลานที่จะเข้าสู่วัดวาศาสนาที่เข้ามาสู่วัดควรจะนุ่งห่มให้เรียบร้อยแต่ขนาดเราไปในงานศพของเขาเราเข้าโดยเข้าไปโดยบังเอิญเรายังได้ขออภัยจากเจ้าของงานเขาว่าเอง มาคราวนี้ไม่ได้ใส่สุดไว้ทุกเพราะว่าเข้ามาแบบรีบโดนรีบด่วนรีบเร่ง เ, เข้ามาแบบประทันหันเราก็ยังได้พูดต่นี้เรามาสู่วัดวาศาสนาก่อนที่จะเข้ามาเราก็ต้องดูลูกหลานของเร า, เาจะเป็นใครก็ตามาต้องแต่งตัวให้เรียบร้อย ที่จะเข้ามาสู่วัดไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายผู้ชายก็เหมือนกันผู้หญิงก็เหมือนกันก่อนที่จะเข้ามาวัดวาศาสานาก็ไม่ถึงกระใสชุดขาวทั้งหมดไม่ถึงขนาดนั้นแปลว่าให้สุดสุภาพเรียบร้อยไม่เสเพิบสวา่ามันดูดูแล้วมันยังไง พราะว่าอย่างที่หลวงพ่อได้พูดวันนั้นน่ะหลวงพ่อเห็นแล้วไม่สบายไม่สบายตามตามแนวแถวจริยธรรมจริยธรรมคือความประพฤติไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอันนี้หลวงพ่อก็เบอกเตือนแต่นี้หลวงพ่อเองได้มานึกย้อนหลัง นึกย้อนหลังในแนวแถวทำคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นกระจกเก่าอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าสมัยครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นฤาษีท่านเป็นในสมัยนั้นท่านเป็นเป็น มีตระกูลท่านก็เบื่อเบื่อหน่ายในคารวะจากนั้นถ้าคนไดเขาไปบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าเพราะอยู่ในป่านานแตนี่นกว่าร่างกาย ท, ทนต่อนี่ยะโดยมากฤาษีที่อยู่ในป่าเนี่ยก็เรื่องเกลือนะเกลือเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญนะผู้อยู่ในป่า พูดพวกเราเคยกินเกลือทานเกลือดื่มเกลือแต่ไี้ไม่มีเกลือในอยู่ในป่าร่างกายก็รู้สึกว่าตัวเหลืองเข้ามาท่นนานก็เลยเข้ามาในสู่เมืองมาบินทบาทในเมืองแต่ต่อมาในก็ขุนพลในเมืองก็เคารพนับถือเลื่อมใส แต่ท่านลื้สีเนะี่ยท่านก็เหาะได้นะเหาะเหาะเหมือนปีนเหมือนกับนกเลยเนะหาะได้เวลาได้เวลาท่านก็เหาะมามากระลงลงที่บ้านของขุนพลแล้วก็ทานอาหารฉันอาหารพอฉันอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เหาะไปกับวัด อุทยานที่พักภาอาศัยเพาะนื้อเช้าใดเวลาก็มาทานอาหารสนทนาธรรมเสร็จแล้วท่านก็เหบกลับไปคืออันนี้ก็คือเป็นเป็นประเพณีหรือว่าท่านเป็นอยู่ที่นั่นเป็นประจำแต่วันหนึ่งท่านขุนพลเนี่ยจะได้ออกไปรบเพราะว่าในชนนบทมี โจรผู้ร้ายกำเริบเสบสารตอนนี้ขุนพลก็จะได้ออกไปสู้รบปาดกระบอในชนบทสมัยนั้นก็ต้องมีช้างมีมา้ามันไม่เหมือนมีจรวดดาวเทียมเครื่องบินอย่างทุกวันนี้ก็ต้องยกทัพออกไปขุนพลพอเข้าไปก็ได้สั่งเสียกับ แม่บ้านของเขาบอกว่ายอดที่รักพี่จะได้ออกไปสู้รบฆ่าศึกอยู่ในชนบทนะไปกวาดล้างเพอชนบทกําเริบเสริบสารจะต้องได้ไปปราบกระบทให้ดูแลพระลือสีด้วยนะลือสีต้นของเราคือ ขุนพลเนเคารพรักในลือศีในอย่างสุดๆเอ่อไอ้ข้าผมยิ่งกว่าพ่ออีกเพราะงั้นเถะเคารพแล้วก็บอกให้เมียหรือ แ, แม่บ้านช่วยดูแลขณะที่ผมไม่อยู่แต่นี้ก็ขุนพลก็เตรียมพร้อมก็ยกทัพออกไปพอยกทัพออกไปลือศีที่อยู่ในป่าเนี่ยก็ท่านเขายังมีกิเลสอยู่ใช่ไหมละ่ะ ยังมีราคาโทสะโมหะอยู่อพ อ, อขุนพลออกไปาบางทีท่านก็ไปเช้าบาั่งบางทีท่านก็ไปสายบาั่งก็สุดแท้แต่เพราะท่านไม่ไปตามเวลาไม่ได้ตั้งคงจะไม่มีนาฬิกามาังท่านก็ไปเช้าบาั่งไปสายบาั่งเพราะว่าขุนพลไม่อยู่แตท่ทางบ้านก็จัดอาหาร ทางลูกน้องบริวารนี่ท่านถวายอาหารกับฤศีที่อยู่ในอุทยานแต่วันหนึ่งฤศีเนี่ยเวลาท่านหอะมาเน่ยท่านจะหอบมาในกลางอากาศท่านก็จะผ่านมาต่างอย่างที่ท่านเคยผ่านมานั่นแหละท่านก็หอบผ้ากาสกาสาวพัดหรือว่าผ้า ย้อมเปลือกไม้ของท่านผ้าเปลือกไม้ของท่านนะเวลาท่านหา่ะมาเหมือนกับได้ยินเสียงผ้าของลวดสีเนะี่ยสัมผัสกับอากาศนะมันก็คงจะดังผัดผัดผั ด, ด, ด, ด, ด, ดลักษณะอย่างนั้น่ะแต่นี่เมียของขุนพลนะเขาตัดจัดอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเขากไป นั่งคอยแล้วก็แล้วแล้วก็เป็นนอนเป็นนอนคอยอยู่ที่ในห้องอยู่หน้าต่างเพื่อคอยคอยถ้าเห็นลือสีเหาะมาแล้ว ก, ก็คงจะออกไปลักษณะอย่างนั้นลหละเทนี้ก็แม่บ้านของขุนพลนั้เขาก็นอนพักอยู่ตามปกติเทนี้ลือสีเหาะมาพอเหาะมาเหาะมาทางอากาศ ก็มาเห็นขุนพลไอ้เมียของขุนพะลเวลาเขาก็ลุกอย่างลุกลุนแรงแต่เขาไม่ได้ต่งางท่าต่างทางอะไรนะเขาปุ๊บลุกตามปกตินะแต่ลือสีเห็นกับกิริยาของเมียของขนะุนพลนั่นนะสารเสื่อมเลยนะันนี่แหละจุดนี้แหละว่าสารเสื่อมคล้ายๆว่ามันเกิดการมกิเลสขึ้นมากระแทกหัวใจของลือสี ที่อยู่ในป่านะกระแทกตึบเข้าไปเลยคล้ายๆเหมือนลูกศรนะยิงเข้าไปในหัวใจเลยหรือสีนี่ยแบบนกแบบนกถูกลูกศรลักษณะอย่างนั้นนะทลาลงไปเข้าไปก็ไปนั่งไปนั่งกัไปว่าไปทานอาหารวันนั้นนะไม่มีรถมีชาติเลยเพราะว่าลูกศรลูกศรรักเนี่ยเทมหัวใจของหรือสี จากนั้นลือศรีนะก็ทานอาหารเสร็จแล้วก็ทั้งที่จะเหาะได้เน๊ะานมันเสื่อมทีนี่นี่แหละซานเสื่อมพอจากนั้นลือีนี่ก็เลยเดินออกจากที่ทิศทิศชันอาหารเหมือนกันที่ฉันอาหารอยู่ในบ้านของเขานะเดินเหมือนกับ น, นกปีกหักอตะกอดมันมดนกมีปีกเต็มมันนะพอฉั้นอาหารเสร็จแล้วก็เหาะไปเลยเหมือนกัน ออพอมียานมีชาญชาญโลกีนะแต่วันน่หาะไม่ได้มันชานมันเสื่อมเหมือนกับ น, นกปีกหัก เ, เดินออกไปจากบ้านของเขาพอไปถึงอุทยานที่พักอาสมของตนเองท่านนนะ่ะไปก็เอาผ้านอนเอาผ้าค่้อมหัวนอนไรท เ, เนเอพง่งได้เช่ามาก็ไม่บินทบาท อะไรนอเนี่ยไกลูกสอนรักเออมันทิ่มหัวใจจนขุนพลมาจากเออมาจากแนวรบก็มาถามว่าเอ๊ะไปไงฤอสีของเราเได้เข้ามาทานอาหารฉันอาหารที่บ้านเราไหมเอ๊ะไม่เห็นหลายวันแล้วนะไม่รู้หายไปไหนหายเงียบไปเลยแต่ท่านจากนั้นวันนั้นนะท่านก็เดินออกไปนะ ท่านไม่ได้ห่อออกไปท่านเดินออกไปท่านไม่สบายหรือเปล่านะตอนนี้ขุนพลเนี่ยก็เห็นอย่างนั้นกับปีเข้าไปนะกับทหารองค์รักษ์เข้าไปก็ไปถามว่าเออเป็นไงท่านฤาษีเอ่อเอาผ้าค่อมหัวนอนอยู่ในอาสมออท่านบอกว่าท่านกับท่านเป็นไงท่านท่านฤาษีครับท่านไม่สบายหรือเปล ฤๅษีก็เออไม่สบายมั้เป็นรังไงไนงะถูกลูกศรเหมือนกันถูกที่ไหนครับไอันนี้ก็บคล้ายๆกับเป็นขุนพลอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะใครจะมาริงฤๅษีถึงขนาดนีนะ้ถูกที่ไหนครับเท่มพวนี้นะชี้เขาไปตั้งที่หัวใจเหมือนกันเถอะตรงหน้าอกทั้งฤๅอีทางขุนพลนี่ก็เปิดดูงหมอนนเะเออมันถูกลูกศรที่ไหน มันมีทางเข้าทางออกอย่างไรลูกศรเนี่ยเปิดองนาทางนาอกก็ไม่มีเปิดตัวทางที่มันเข้าทางหลังก็ไม่มีเปิดตัวแล้วก็ไม่มีเออผัวนี่โฉดก็เลยถามว่าลูกศรตัวนี้มันมันมาอย่างไงมันเข้าอย่างไงมันถูกอย่างไงครับพอซักไซไลเลียงจึงรู้ว่าเป็นลูกศรลูกศรลูกศรรัก มันทิ่หมหัวใจของฤาษีก็เลยพูดให้ฟังท้าววันพอพูดให้ฟังแล้วขุนพลนก็บอกอา้าวไม่เป็นไรท่านฤาษีอยากจะได้ใครผมพร้อมที่จะยกให้ทั้งหมดแนละ้วแต่นี้ฤาษีแะนีก็เลยสลดสลดสังเวชใจเกิดความสลดสังเวชใจขึ้นมาอย่างรุนแรงโอ้โหทำไง เราจึงเป็นขนาดนี้นะพอเกิดความสลดสังเวชใจเท่านั้นแหะมีฮิริโอตตะปะสํานึกได้สํานึกผิดได้จากนั้นก็นึกย้อนถึง เ, เรื่องสมาธิเรื่องฌานของตอนเองก็เลยฌานก็เลยวิ่งปบเข้ามาฌานโลกีก็เลยเข้ามาอีกอย่างเก่าพร้อมที่จะหอะเหินเดินฟ้าได้อีกเหมือนเก่าเพราะว่าสมาธิขึ้นมาอีก ในช่วงนั้นแปลว่าเสื่อมเสื่อมาชาญชาญโลกีมันเสื่อมเอาหาะได้คือว่าชาญตัวนี้มันไม่ใช่ชานไม่ใช่โลกุตละนะโลกุตละแปลว่าไม่เสื่อมโลกีที่เสื่อมได้จากนั้นท่านก็เลยบอกโอ้ท่านขุนพลอาตมาเองอยู่กับโลกไม่ไหวหรอกถ่อไปก็คงจะเจออย่างนี้อีกอาตมาจะขอเข้าไปอยู่ป่าฮิมะพาน ไม่มักในเมือมนุษย์อีกต่อไปตั้งแต่บัดนี้เอเอแล้วนะท่านขุนพะลลาแล้วนะพอว่าตอนนั้นแหละท่านฤาษีก็เลยลาขุนพล เ, เข้าไปอยู่ในป่าหิมพานไม่กลับมาออกออกมาอีกเลยนะหาะไปเลยนะวมันนั่นแหละอันนั้นคือชาตินั้นคือพระพุทธเจ้าของเราเป็นฤาษีขุนพลก็คือพระอานนทนะ์นี่แหละคนกลุ่มเดียวกัน มีอะไรจะต้องเอื้อเฟื้อเอื้ออารีต่อกันก็รักเมตตากันถึงจะยังไงยังไงก็ต้องเออทงกันไม่ลงเนะื้อเพราะเหอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นฤาษีพระอานนท์เป็นขุนพลในชาตินั้น น, ะนี่แหละทำไมจึงเสื่อมได้ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาในธนว่าถ้าโล ก, กุตระธรรมตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไป อันนั้นแปลว่าไม่เสื่อมถ้าเข้าว่าผู้ใดมีฤทธิ์มีเดชที่ว่าโล ก, กุตละแนละ้วใจของผู้นั้นแปลว่ามาตรฐานใจใจสแตนดาร์ดใจไม่เสื่อมแต่นอกจากนั้นลงมาโล ก, กียะเนี่เสื่อมได้ เ, เหมือนกับทองเหลืองทองแดงอย่างนั้นนะไม่ทนต่อการพิสูจน์แต่ถ้าว่าโล ก, กุตละธรรมแล้วทนต่อการพิสูจน์ ถึงจะเอาน้ำกรดน้ำอะไรแทสารเข้าไปทองคำนั่นก่อนยิ่งใส่กขะจ่างขึ้นมายิ่งเข้มแข็งยิ่ง <c oughs> สวยงามก็ไปอีก <c oughs> ถ้าเป็นทองแดงทองเหลืองทองแดงทองแดงตะกั่วเหล็กสิ่งแปลกปลอมเข้าไปแล้วก็ถึงจะไปเกาะ อ, อยู่ในทองคำก็เด้อสิ่งเหล้านั้นแปลว่าละเลงละลายไปหมดยังเหลือแต่ทองคำธรรมชาติตนั้นนะ่ะ ที่จะถาวรนนี้คงเหมือนกันหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาจะว่ายานทัศนคํานี้ยนะถ้าเป็นโลกิยสารโลกีนะมันเสื่อมได้แต่โล ก, กุตละเราไม่เสื่อมนี่แหละอันนี้พวกเราท่านทั้งหลายเรื่องแต่งกายเข้ามานี่มันมีส่วนไหมถ้าเปรียบเทียบกับลือศีเท่านั้นกับมาสูวัดวาศาสนา เพราะนั้นพวกเราจะรักษาพัฒนาศาสนาพระพุทธศาสนาพระสงฆ์ที่เขามาบวชในพระพุทธศาสนาก็เหมือนกับลือีอยู่ในป่าถ้าว่ามีอะไรสิ่งแปลกปลอมเข้ามาที่เป็นลือีที่เป็นหัวหน้าก็ไม่สบายใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงได้กล่าวย้าเตือนพวกเราท่านทั้งหลายถ้าอยากจะให้พระพุทธศาสนาของเรา จังยืนเจริญถาวรแล้วก็ช่วยกันประคับประคองช่วยกันรักษาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องกิเลส ต, ตัวนี้นะเรื่องฝ่ายมันเป็นวิศภากในในธรรมเขาบอกวิศภากใกล้ๆผู้หญิงเป็นอันตรายกับผู้ชายผู้ชายเป็นอันตรายเรื่องของผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงเป็นหรือสีสีผัยรักษาพรหมมัจยัน อย่างที่เป็นพิกจนีหรือสมนเนณีหรือว่าเป็นเป็นแม่ชีอย่างนี้นผู้ชายเป็นเป็นอันตรายไม่รู้ว่ารูปเสียงทั้งรูปทั้งเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรทุกอย่างเป็นอันตรายต่อเพศตรงตรงข้ามอันนี้คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้พูดได้ตรัสเอาไว้อันนี้พวกเราของ อยู่มาอยู่จุดนี้พวกเราก็ควรจะสํารวมระวังตาไปเห็นลูกมันสงเข้ามาหาใจหูได้ยินเสียงมันสงเข้ามาหาใจสัมผัสลิ้มรสเย็นร้อนอ่อนแข็งทั้งหลายทั้งปวงมันสงเข้ามาหาใจคือตัวผู้รู้ตัวผู้รู้ในตัวใจในเป็นผู้รับในลูกเสียงกลิ่นรส ถ้าตาไปเห็นรูปเกิดราคะ เ, าเกิดสิ่งที่ชอบใจเราเกิดราคะระ้ ว, ว่าราคักินาเกิดเป็นไฟขึ้นมาในใจถ้าว่าตาไปเห็นโรคเกิดโทสะ เ, เขาเบี้ยวปากให้เขาทำอกับเกลีไม่อกับกิริยาที่ไม่ถูกใจอันนี้เลยว่าเกิดโทสะมันก็ย้อนก็มาหาใจว่าโทสักคินาเนี่ย เ, เมื่อเห็นรูปล้วเกิดโทสะันะโอ้โหได้ยินเสียงก็เหมือนกัน เ, เสียงพอใจเสียงไม่พอใจลกักขคินาโทสกินาลักขคินาโทสกิน า, า, กกน า, โ, นาโมหคิณาโมหคกกินาคือความหลงหลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสนี่แหละมันสู่เข้ามาสู่ใจทั้งนั้นเพราะใจเพราะเหตุไรเพราะใจยังไม่มั่นคงใจยังเป็นโล ก, กีอยู่ใจยังไม่มาตรฐาน ใจยังไม่สแตนดาร์ดใจยังวันไหวไกวแกว่งอยู่นี่แหละอันนี้ก็คือใจของพุ้ทุชนในเมื่อท่านกําจัดกิเลสราคะกับโทสะออกไปแล้วนนะคือพระอนาคามีพระอนาคามีนะเนี่ยแปลว่าโรกุตระท่านจะขึ้นไปสู่ชัน้นพรมชั้นพรมชั้นผมสุทธวาสสุทธวาสห้าชั้น อวิหาอัตปาทุจสาทุจเสียกัคนิถะอกคนิษาพรมคือพรมเหล่านี้เนะี่ยเมื่อตัดกิเลสราฆาเนี่ยไม่ยินดีในในรูปในเสียงในกลิ่นในรสตัดละกโทสะไม่ยินดีในโทสะละโถมไม่โกรธไม่โมสุญเฉียวกับใครๆไม่รักใครไม่ยินดีไม่เกลียดใครไม่รักนะไม่เกลียดด้วยนะ จิตใจสแตนดาร์ดมาตรฐานนะเมื่อท่านตายจากมนุษย์โลกนะท่านก็ไปสู่สวรรค์ไปสู่สั้นพรมไปสู่พรมโลกไปอยู่พรมพรมพรมอนาคามนะีพรมอนาคามีอยู่ห้าชั้นนะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดอวิหาอัตปาเนะี่ยมีอยู่ห้าชั้นขึ้นไปชาระใจของท่านอยู่นั่นชาระอะไรชาระอะไรชาระ โมหะลาคะกัโทสาเนี่ยตัดได้โดยเด็ดขาดยังเหลือแต่โมหะคือความหลงยังติดอยู่ในใจของพระอนาคามีในเมื่อท่านขึ้นไปชมละที่นั่นแล้วท่านก็เข้าสู่นิพพานท่านจะไม่มาเหยียบโลกนี้อีกคือพระอนาคามีแต่ยังพระโสดารบั น, เ, นเมื่อท่านได้สาเร็จพโสดาบันเป็นโลกุตระแปลว่าผู้ไม่เสื่อม ในเมื่อท่านได้สำเร็จแล้วนะต่อไปท่านก็จะได้ขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นผมท่านจะมาเกิดอีกมาเกิดได้สชาติเจ็ดชาติสชาติหนึ่งชาติาหลวงพ่อก็เลยตั้งว่าพระโสดาบันเกรดเเกรด B เกรดสมีเกรดสเกรดพร ะ, ะโสดาบัน เ, เกรด A เนี่ยว่าเอกับ P C. เกิดชาติเดียวแล้วก็สําเร็จเป็นพระหัน์โกลังโกระเนี่ยเกิดสามชาติได้สําเร็จเป็นพระหัน์ชตุกขตะประมะคือเกศศีเนี่ยเกิดเจดชาติท่านได้สาเร็จเป็นพระหัน์อันนี้คือพระโสดาบันเป็นผู้ไม่ตกต่ำอันนี้ก็คือโล ก, กตลุตตะมีแต่หมุนสูงขึ้นไปเรื่อยๆ อ, อันนี้คือพระโสดาพระสกทาคาเนี่ยเกิด เกิดชาติเดียวแต่ท่านไม่พูดชัดในพระบาลีนะท่านมาได้อธิบายชัดถึงพระอนาคาคารพระสักทาคารนยะแต่พระอนาคาคารในะท่านบอ ก, บอกว่าเมื่อตายจากเมื่อได้พระสําเร็จพระอนาคาคาแล้วนะจะขึ้นไปสู่ชั้นพรม5ชั้นจากนั้นเข้าสู่นิพพานเนี่ล่ะ อันนี้คือความเป็นมาของพุทธศาสนาถ้าเราจะเปรียบเทียบให้พวกเราคณะสัต ย, ยาติโยมลูกหลานได้ฟังกันนี่แหละที่หลวงพ่อพูดให้ฟังให้ชํารวมให้ระวังพวกเราจะรักษาพุทธศาสนากใ็ให้ช่วยกันดูแลทั้งฝ่ายพระก็เหมือนกันฝ่ายพระก็เหมือนกันอย่ายินดีในในการดใดดูลูกลูกไหนก็ตามถ้ามันเป็น เรื่องที่กระแทกจิตใจแล้วไม่ควรจะดูเสียงก็เหมือนกันก็ให้สำห้ำรวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจของพวกเราเหมือนกัน อ, อไม่ใช่ว่าสิ่งไหนที่เป็นของแปลกปลอมสิ่งไหนที่เป็นของแสลงยิ่งอยากจะดูยิ่งอยากจะเห็นเ อ, อถ้าเป็นอย่างนั้นขึ้นมากันะแปลว่าพวกเราคนเป็นคนป่วยเป็นคนป่วยแต่ชอบของแสลงอ่ะมันก็ตายได้ไง่ายๆเหมือนกันนะ เพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะพระเนนทุกองคณะตัดทายญาติโยมทุกมูเหล่าที่ได้ยินเสียงหลวงพ่อที่หลวงพ่อพูดไปเนี่ยไม่ได้พูดเพื่ออย่างอื่นไม่ได้พูดเพื่อกระแนงกระนโลกไม่ได้พูดดูถูกเยียหยาผู้ใดใครผู้หนึ่งนะเป็นการพูดให้เป็นแนวความคิดใ ห, ให้ปกป้องรักษาพระพุทธศาสนารักษา พระภิกษุสัมมาเนตและก็ให้พระภิกษุสั ม, มนเนตเขาให้สัมรวมระวังกายวาจาใจของตนเองด้วยให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมให้อยู่ในกรอบของหลักธรรมวินยัยถ้าพวกเราอยู่ในกรอบหลักธรรมวินัยแล้วมีแต่ความเจริญมีแต่ความผาสุกต่อไปเมื่อเราบําเพ็ญเข้าไปนะใจของเราก็จะเข้าสู่มาตรฐานจัตเตนดาตตามแนวแถวของพุทธะที่พระพุทธเจ้า พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดาเนินนะวันนี้ก็ให้แนวความคิดกับพวกเราท่านทั้งหลายในแนวหนึ่งต่อนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พร